1 9ึ่งร้อยเก้าสิบเจนิสั ย, ย, ยที่แก้ไขได้ใหม่จะวิเศษยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นซึ่งวิสัยใหม่นี้จะไม่ใช่วิสัยเดิมทว่าจะเป็นวิสัยที่วิเศษขึ้นกว่าสามัญเพราะเอาเฉพาะความเลวร้ายออกไปไม่มีความเลวร้ายในความเป็นพลังงานจึงกลายเป็นวิสัยที่พลังงานมีปริมาณและคุณภาพ ของพลังงานเปลี่ยนมาเป็นพลังงานดีพิเศษทดแทนพลังงานเดิมที่เลวร้ายซึ่งพลังงานส่วนรวมของตนไม่ได้สูญหายไปแต่แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่ดีวิเศษจากโลกียะมาเป็นโลกุตระภูมิพลังงานโลกุตระภูมิจึงมีพลังมากกว่าชาวโลกียภูมิอย่างมีนัยยะสำคัญของความจริงฉนิแล เพราะพลังงานที่แก้ไขด้วยวิธีโรคตรานั้นจะไม่ทำลายพลังงานเดิมแต่จะเปลี่ยนจากอนุัยก็ดีวิัยก็ดีนิัยก็ดีที่เดิมมันเป็นพลังงานไม่ดีอกุศลมาเป็นพลังงานดีกุศลเพราะกำจัดเฉพาะส่วนที่เป็นความบาปของพติของจิตเท่านั้นไม่ได้ไปกดข่มไว้หรือไม่ได้ไปทาร้ายจิต จนมันหมดสิ้นพลังงานไปแต่เปลี่ยนแปลงมันจากพลังงานไม่ดีให้มาเป็นพลังงานดีเรียกว่าพวันติซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดเมจะพูดกันว่าฆ่าคาเตติว่าประหารปะหรติว่าทำ ม, มันจนตายมรติซึ่งเป็นความหมายให้หนัก หนักมากมากก็เพื่อที่เน้นให้ทำปานั้นก็ตามก็เพียงเน้นน้ำหนักยาเหยาะแยะ่แท้จริงนั้นวิธีที่สัมมาทิฏฐิของพุทธนั้นไม่ได้ไปทำกับพลาังงานกิจกันจนปานั้นคำว่ากลายเป็นนี้ภาษาบาลีใช้ภาษาว่าผาวันติซึ่งหมายถึงภาวะที่พัฒนาจากเดิมกลายเป็นภาวะที่ ที่มีภาวะใหม่ถ้ามีภาวะเจริญยิ่งขึ้นไปถึงขีดพระวิสตินั่นคือหมายถึงต้องเป็นเพราะมันถึงขีดท่วนรอบแล้วด้วยเหตุปัจจัยครบจริงที่จะต้องเป็นมันเป็นการแน่นอนนิยต่าแล้วสำหรับภาวะนี้ที่จะต้องเป็นสภาพนี้และความเจริญตามในยะนี้นิสัยก็จะเจริญสู่วิสัย โดยอบรมฝึกฝนจากพลังงานที่อาศัยในการปฏจจิบัติทุกปัจจุบันนั่นเองของตนของตนแต่ละคน ก็ในยะเยี่ยงเดียวกันกับพลังงานที่พัฒนาจากอนุสัยให้กลับเจริญจากอนุสัยต่ำมาเป็นวิสัยสูงขึ้นหรือจากวิสัยต่ำมาเป็นนิสัยสูงขึ้นชีวิตก็จะได้อาศัยพืชของจิตที่สูงขึ้นเพียงแต่ละคนละขั้นคนละทิศททางกับปุถุชนเป็นอยู่เท่านั้น